บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปไปพูดเรื่องอวิชชาสังโยชน์คือกิเลสที่ปูุกใจสัตว์ไว้ที่เรียวกับวิชามาแล้วโดยดำดับซึ่งจะเห็นว่าธรรมะนั้นเมื่อแบ่งเป็นสายหลักมันก็มีอยู่สองสาย ที่เรียกว่ากุศลธรรมอาคุศลธรรมอกุศล ก, ก็คือความไม่ฉลาดก็คือความโง่นั่นเองแต่นั้นลักษณะของโมหะก็ดีอวิชาก็ดีก็คือเรื่องของอกุศลที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนไปเส้นทางการดำเดนินชีวิตของคนทรงแสดงไว้เป็นสองสายที่เรียกว่าสัมมามัติมิจฉาพัก ไม่สามารถก็คือทางผิดแต่เริ่มต้นด้วยความผิดผิดความคิดผิดซึ่งแรงรดดานให้เกิดความคิดความเห็นชนี้ก็คืออวิชาหรือโมหะนั่นเองมันก็เหมือนกับโลกที่เป็นสองภาคคือมือกัสว่างหรือสุขกับทุกข์หรือเย็นกับรอนเพราะในสายของอวิชา บางระดับเป็นความมืดบอดในด้านเหตุผลได้ความจริงบางอย่างเป็นเรื่องของความรู้ไม่จริงคือรู้ไปตลอดสายในเรื่องเหล่านั้นถึงจุดเดิ่ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถึงจุดที่ตนรู้ไม่จริงเข้ามันก็มีปัญหาในจุดนั้นในส่วนของมิจฉามัฏฐที่จะเรียงตามสายของสัพหมมัคคือเริ่มจาก นิชาธิจิตเป็นต้นไปนั้นเราเห็นว่าตัวการใหญ่ก็อยู่ที่ความเหตุผิดกับความคิดผิดที่ควบคุมอาการทางกายทางวิชาของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดความเห็นที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะดนั้นเรมเห็นภาพของการกระทำที่มีลักษณะถึง ปฏิเป็นความมืดบอดประเภทที่เรียกว่ามืดมาแล้วมืดไปความชีวิตตลอดชีวิตของเขาสวดมากแ ล, แล้วก็จะมกุกพูดบุบวายาเรื่องบาปเรื่องกุศลมีการมีการกระทํามีคําพูดมีความคิดที่เป็นการเพิ่มบาปเพิ่มกุศลเพิ่มความรุนแรงขึ้นบุคคลประเภทนี้ทรงใช้คําที่เราเห็นได้ชัดว่ามีอวิชชาคือคําว่าอันตรพา ก็ว่าอันภะคแปลว่ามืดหรือบอดก็หมายความไม่เห็นเหตุผลในการดำเรงชีวิตทาผู้คิดไปตามกระแสของอารมณ์ที่กระตุ้นจิตของตนในขณะนั้นๆซึ่งอารมณ์ที่บุคคลเกี่ยวข้องเข้าเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ที่กระตุ้นกิเลสเพราะจิตใจเสพคุดในเรื่องนี้มากเข้า ใครไปชี้แะใรอธิบายชี้แจงเหตุผลต่างๆก็ไม่ยอมรับฟังกลายเป็นความดื้อรัน้นกลายเป็นทิฏฐิซึ่งปรากฏอาการของความรุนแรงอย่างที่ทรงจำแนกแสดงไว้ถึง62ประเภทได้กันซึ่งบางอย่างไม่น่าเชื่อว่าความคิดขนาดนี้เขาคิดไม่ออกแต่ที่จริงก็คิดไม่ได้จริงๆ เพราะว่าจิตใจเขามืดบอดด้วยความหลงทานองคล้ายๆกับเราอยู่ในชีพมืดซื่อมืด ม, มากๆมันก็ไม่สามารถที่จะแยกแกะอะไรได้ดันั้นการกระทําหรือคําพูดที่ออกมาในรูปของมิาาจากวจาคือวาจาผิดมิจารกรรมัตาคือการงานผิดแล้วก็มิจาชีวะคือการเรียนชีพในทางที่ผิด จะเป็นอาการที่มีรากมาจากอาวิชชาทั้งนั้นการเลี้ยงชีวตของบุคคลเรานั้นไม่จำแนกโดยสรุปจะเรียกว่าสา ม, มาชีกับมิชาชีในสายที่สืบเนื่องมาจากอาวิชชาท่านก็เรียกว่ามิชาชีการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด หมายความว่าในขั้นตอนของการแสวงหานั้นนำภัยอันตรายมาสู่ตัวเองแล้ขึ้นอยู่กับว่าอวิชามากหรือน้อยภาพเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเราก็เห็นได้ชัดว่าบางอย่างนั้นอวิชารุนแรงเหลือเกินเป็นภาพของแมลงเม้าที่บินข้าวกองไฟ เป็นภาพประกา ร, รยื้อแย่งการต่อสู้ปรารประหารกันเพื่อครอบครองสิ่งที่ตัวต้องการเพราะความต้องการเกิดขึ้นแต่คนในหลายคนสิ่งที่ต้องการมีจรวดจํากัดคนเหล่านั้นก็ใช้วิธีการซึ่งสืบเนื่องมาจากกวิชาแต่ออกมาในรูปของโทสะคือมีการประทุษร้ายกันต่อสู้กันภาพประการทําลายล้างบางครั้งก็ไม่มีคนเหลือให้ได้แย่งวัตถุเหล่านั้น คนหน่งก็มาแย่งกันต่อไปบางครั้งแม้จะมีคนเหลือคนเหล่านั้นก็กลายเป็นคนที่มีปัญหาที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองติดคุกติดตารางต้องหนีซอกซอนไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็จบลงด้วยการชิ้งของที่ตนยื้อแย่ง ต, ตนกระทําบาปได้มาไว้ให้คนอื่นก็ยื้อแย่งกันต่อไปตัวเองก็ตายไปด้วยบาปกรรมที่ได้กระทําเอาไว้ ก็ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตประสบปัญหาในพบชาติต่อๆไปที่พรพุทธเจ้าทรงใช้คำง่ายๆว่าตายไม่ดีหม้ความว่าตายไปแล้วยังมีความเดือดร้อนเป็นผลที่สืบต่อจากความเดือดร้อนที่ตัวสัมบัติสัมผัสมาแล้วในปัจจุบันปัญหาการสัมปันหาก็ทรงแยกออกเป็นสองกลุ่มเช่นเดียวกัน ตาแรงดันของอวิชาของอวิชาและวิชาที่เป็นแรงดันของอวิชานั้นจะเรียกว่าเป็นอนัตตยะประเยสนาคือการแสวงหาที่ไม่ประเสรศิฐซึ่งลดหลั่นกันขึ้นไปตามความเข้มข้นของกิเลสบางครั้งที่รุนแรงโดยนิย่าดังที่กล่าวแล้วมันก็กลายเป็นมิกจัาชีไปมีการเข็นฆ่าทำลายล้าง ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกและเวลนี้เราก็รับผลจากการทำลายล้างสภาพแวดล้อมเหรานันจะปรากฏเป็นข่าวกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของโลกเราสืบสาวไปว่าทำไมอย่างนั้นเพราะคนเ่านันโลภเกิดไปไม่รู้เหตุผล ความสมดุลของธรรมชาติต่างๆมุ่งแต่ตอบสนองความโลภของตัวแล้วในที่สุดผลเหล่านั้นก็ไปกระทบกระเทือนต่อคนอื่น่างความเดือดร้อนแพ่หลายกระจายออกไปในส่วนต่างๆของโลกได้ก็สแสดงหาบางอย่างนั้นเราจะพบว่าบางครั้งบางคราวเ็า ก, ก็คุมตัวเองไว้ได้แต่บางครั้งบางคราวก็คุมไม่ได้ ก็มีปัญหาว่าคล้ายๆก็เราไปดูสิ่งของต่างๆที่เราถือครองครอบครองอยู่นั้นถ้าใช้ปัญญาพิณิพิจณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางอย่างบริสุทธิ์ออกมากๆบางอย่างนั้นไม่ค่อยจะบริสุทธิ์บางอย่างนั้นไม่บริสุทธิ์จริงๆสิ่งทั้งสามประการนั้นก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องวัดจิตใจในขณะที่แสวงหา ว่าที่บริสุทธิ์นั้นก็แสดงว่าในขณะนั้นจิตใจไม่ถูกกับวิชาปิดบังมากเกินไปมีเหตุมีผลในการแสวงหาในการถือครองในการครอบครองแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยบริสุทธิ์นั้นแสดงว่าจิตใจมีวิชาเพิ่มขึ้นมีวิชาเพิ่มขึ้นก็ทาให้โลกเพิ่มขึ้นก็ถูกโลคกระตุ้นแร่งร้าวมากเข้าในการคำนึงถึงเหตุผลความถูกต้องก็ลดหายลงไป สิ่งที่ได้มาจึงมีอาการที่ไม่ค่อยจบบริสุทธิ์เท่าที่ควรและบางอย่างเห็นชัดๆว่าเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบไปควรแต่ในขณะนั้นนวิชชามันมากการคหนึงถึงบาปบุญคุณโทษมันน้อยทำให้ความโลภเกิดขึ้นมาและบางครั้งบางคราวจะมีใครขัดขวางตัดรอนหรือห้ามปรามก็อาจจะเกิดความโกรธคือแสดงว่ากิเลสมันก็ไหลไปทั้งโลภทั้งโกรธทั้งง ผลที่ได้มาเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นหนามต่ําใจเผ็นก็เกิดความวิปฏัสสนาใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจวิตกกังวลเวล้วคนอื่นเข้ามาพบเห็นเราก็รู้สึกไม่สบายใจกลัวจะจับได้ลายทางกลัวจะมีการซักถามแล้วบอกที่มาของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่ถูกไม่ได้หรือว่าบอกไม่ถูกต้องตามเหตุตามผลก็อาจจะนําตนเข้าสู่ วิธีทางของกฎหมายก็ถูกจากการทำกฎหมายต่อไปผลนั้นก็กลายเป็นผลภายในจิตใจของบุคคลที่ติดตามบุคคลไปในชีวิตในปัจจุบันและกในจะในการภายภาคหน้าก็กลายเป็นรูปของกระแสกรรมที่บุคคลได้กระทาเอาไว้ทําให้เห็นว่าชีวิตของบุคคลก็ขึ้นขึ้ น, นล ง, ลง ไปตามกระแสะการกระทำของตนในขณะนั้ น, น, นด้วยแล้วก็ตามแสงตามกระแสะของสิ่งที่ติดตามมาด้วยดังนั้นเวลาท่งแสดงผลจึงไม่ใช่แสดงเฉพาะปัจจุบันแต่แสดงถึงชาตินาชาติต่อไปแล้วก็เยื่อมโยงเรื่อยไปจนถึงตัวภาษาขัดขวา ง, งการบรรลุมรรคผลนิพพานของบุคคล การสะท้อนภาพชีวิตเหล่านี้เป็นสังเกตว่าอย่างการสะท้อนภาพของพระเทวทัตเป็นภาพของอวิชชาที่มืดปอดอยู่ภายในใจมากและก่อเกิดความโลภความเห็นแก่ตัวมากท่านเล่ามาตั้งแต่เป็นเสรีวะวานิชคือเป็นพ่อค้าที่เสรีวะแสดงความเห็นแก่ตัวออกมารุนแรงแม้จะเห็นถาดทองแล้ว แต่ก็อยากได้รฟรีๆไม่ต้องการจะใช้จ่ายอะไรเราเห็นอาการของวิชาอาการของโลภะจนเมื่อคนอื่นมาเอาไปก็เกิดโทสะรุนแรงเพราะโลภะมันแรงโมหะมันแรงบุคคลนั้นแท้จริงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองเป็นการทํามมาค้าขายโดยปกติของเขาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเขา แต่เทติยอมรับเหตุผลความถูกต้องก็ไม่ยอมรับตรงนั้นอาศัยความโกรแค้นเื่งสืบเรื่องมาจากอาวิชชากลายเป็นโลภะแล้วก็โ ท, ส ะ, โโทสะก็แรงคนสังเกตว่าถโลภะแรงโทสะก็แรงตโลภะลดโทสะก็ลดซึ่งหมายความอาวิชชาเขาก็เพิ่มข็ลดตามไปด้วย จากจุดนี้เพียงจุดเดียวที่เป็นเอกได้เทวทัตจองล่างจองผรานพระพุทธเจ้ามาในภพชาติต่างๆเปน็นนัตบ้างและเราเห็นถึงชาดกต่างๆที่เราสั่งเล่าถึงชีวิตของพระองค์กับระเทวทัตที่ปรากฏเฉพาะในชาดกกรบมีประมาณ59เรื่องคนที่ต่อมาเป็นเทวทัตนั้นจะมีความรุนแรงอยู่ภายในจิตตลอดโดยเฉพาะอย่างนี้คือริษยามีความรู้สึกริษยาแข่งดี กับพระโพธิสัตว์มาตลอดเพราะนั้นปริมาณของริษยาความแข็งดีเราก็มีมาถึงชาติที่เป็นพระเทวทัตเป็นเจ้าช า, ายจิตตะะโดยเชนว่ากับคนอื่นบุญกุศลท่านก็ทําความดีงามอย่างอื่นท่านก็ทําแต่สําหรับเจ้าชายจิตตะทแล้วแก้ไม่ย อ, อมด้วยไม่ว่าในภพชาติใดก็ตามเพราะนั้นโกดังสมก็แบ่งแยกกันมาชัดเจนในขณะที่คนหนึ่งบรรลุมรรคผล สัตรุเป็นพระพุทธเจ้าคนหนึ่งตกนรกมหาเวทีชีวิตของท่านจริงๆในชาติที่เป็นประเ ท, ะเทวทัตก็คือฤิษยากระแข็งดีเป็นอาการของวิชาที่ชัดเจนลองนึกดูว่าตอนที่ท่านไปไปเมืองไัยสารีไปพบคนทั้งหลายเขาถามหาคนอื่นแต่ไม่ถามหาตัวท่านเอง รู้สึกน้อยใจไม่พอใจว่าชาวบ้านไม่ให้ความสาคัญแก่ท่านก็นึกถึงคนเหล่านั้นก็เป็นกษัตริย์บวชมาด้วยกันท่านรั้นก็เป็นกษัตริย์ท่านเองก็เป็นกษัตริย์ก็บวชพร้อมกันแต่คนเราอื่นในรับความเคารพนับถือท่านกลับไม่ได้รับความเคารพนับถือไม่ได้เป็นที่สนใจยกย่องของคนทั้งหลายก็เกิดโทรสั่ที่ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้ แล้วก็ไปคิดว่าการที่คนเหล่า น, นั้นได้ก็เพราะการเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าการเป็นพระพุทธเจ้าคือทํำยังไงก็ตามก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้กลึงวางแขนข้าพระพุทธเจ้าเลยเข้ารถเข้าพงนไปใหญ่จนยุบพระเวทยุจ้าชาชาติศัตรูให้ฆ่าพระเจ้าพิมพ์ิสานั่นตัวอย่างที่เราเห็นในชาติว่ามันเป็นอาการของวิชาที่ก่อเกิดโลภะก็อเกิดริษยาก่อเกิดความแข็งดีมีความมืดบอดเกิดขึ้นมาก จิตก็ถูกฉุดกระชากไปแรงกังกีเดดเหล่านั้นให้มีการกระทาที่เพิ่มความรุนแรงขึ้นไปโดยลาดับบนเส้นทางที่ท่านเพียรพยายามเพื่อจะฆ่าพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าเองก็ให้สติตักเตือนหลายครั้งพระอานนท์เองซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ตักเตือนหลายครั้งพระสัตยดิบุตรเองก็ตักเตือนหลายครั้งแต่ทั้งหมดถูกโกรธป ด, ด พระเจ้าก็ถูกเทวทัตโกธพระนรนก็ถูกเทวทั์โกรธพระสารีบุตรก็ถูกเทวทัตโกรธผลสุดท้ายว่าใครก็ตามท่านเห็นตางท่านท่านก็โกรธไปหมดบาปกรรมต่างๆที่ท่านทําจึงเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปโดยลําดับจนลองนึกดูว่าคนที่เป็นกษัตริย์โดยกำเนิด ออกบวชครองเพศเป็นภิกษุมีสั ญ, ญลักษณ์ของธงชัยของพระราหารันจุอุสาปีนขึ้นบนยอดเขากลิ้งขินลงมาให้ทัพพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เดียวลงมาเป็นแถวเห็นแต่พระเจ้าเสด็จนํามาข้างหน้าตัวเองพระสงฆ์เดินมาเป็นแถวทําไปได้ยังไงก็ทําไปได้สมับใจที่มืดบอดด้วยวิชามากๆมีฤทิษยามากๆ มีความแข่งดีมากๆ ม, มีความโกรธมากมากพระพุทธเจ้า จ, จ, จึงจึงทรงแสดงวริศยาณธรรมโลกให้ดีห น, นัยกิเลสแต่และข้อเหล่านี้มีรากง่าวมาจากอวิชชาทั้งนั้นจึีงแต่แสดงอาการสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมให้ปรากฏบางการกระทําเหล่านี้ของท่านบางครั้งมะคราวชาวบ้านก็เห็นแต่ขาดจิตสำนึกจะแล้วมันมืดบอดโดยเหตุผลส ต, ติปัญญาไปแล้ว แล้วก็จบลงด้วยการถูกตรรนสุปอย่างที่สักกันนั่นคืออาการของอวิชชาที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทําเป็นวิชีชีวิตที่ปริมาณของกิเลสเพิ่มขึ้นโดยลําดับมีการพูดติดรุนแรงเพิ่มขึ้นมีการกระ ท, ทําติดรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าภายในใจิตใจของท่านไม่ได้บีเฉพาะตรงนี้เท่านั้นเอง แต่คุณงามความดีบารมีธรรมต่างๆถ้าก็สร้างมาเพราะถ้าไมอย่างนั้นก็เกิดเพียงคู่มากับพระโพธิสัตว์ไม่ได้ก่อนที่ท่านจะถูกธรณีสุพัดเกิดสํานึกแยกแยะอะไรออกไปได้อย่างชัดเจนในขณะที่ลูกศิษย์ท้ามปรามท่านจึงต้องการจะไปขอขอมาพระพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สาวัถี แต่พระเทวทัพยอยู่ที่ขยาดีรษะขนทางก็ไกลามากท่านก็ยังต้องการจะไปเฝ้าฤๅษีก็บอกว่าท่านอาจารย์รัตุสรายพระพุทธเจ้ามาเป็นนั้นมากพระพุทธเจ้าจะยอมไม่เฝ้าเลยท่านบอกว่าการกระทาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ผมกระทาของผมคนเดียวพระพุทธเจ้าท่า น, านไม่ได้มีความคิดโกรธตอบอะไรหรอก เรามีประไทยเสมอกันหมดกับคนทั้งหลายที่ท่านยกตัวอย่างมาก็คือกลนกลุ่มที่เคยประทุษร้ายพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เทียบเคียงกับพระราหุตนั่นก็แสดงว่าจากภูมิปัญญาตรงนั้นจากความคิดเห็นตรงนั้นทําให้ท่านตัดสินใจทําความดีถวายกระดูกคางตัวเองบูชาพระพุทธเจา้า ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปจะได้เป็นปฏิเจริปปกับพุทธเจ้าทรงพระนามวาอาทิตสระเพราะว่าบูชาพระพุทธเจ้าโดยประลูกคางจิตใจก็บริสุทธิ์ในขนาดนั้นต่เป็นการจำแนกผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาคำพูดออกไปอย่างชัดเจน วันในกระแสก็มิชาาก็เพิ่มความมดบอดลงไปโดยลาดับเพิ่มความรุนแรงทางกายทางวาจาลงไปโดยลำดับจนกลายเป็นสังคเภทคือกล้าขนาดทำสังคเภททำสงให้แตกจากการแยกหมู่แยกคณะออกไปไม่ยอมขึ้นต่อพระพุทธเจา้าตั้งตัวเป็นาศาสดาเสียเองสแสดงว่าท่านไม่รู้ว่ า, าศาสดานั้นคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไง ทำไมยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะมีวิชายอยู่ภายในใจิตใจของท่าน mm hmm. มากจนผิดปกติไปแต่ในขณะเดียวกันพอบารมีทําเกิดขึ้นมาทําหน้าที่เพราะเกิดสํานึกซ้อนๆหลายๆครั้งเข้าแต่ความสํานึกเหล่า น, นั้นเป็นสังเกตว่าเกิดขึ้นจากการจากท่านประทบประสบความทุกข์ซ้ำๆซากๆขึ้นผลตัวความทุกข์บางทีก็กลายเป็นครูในการสอน ในการเสริมสร้างจิตสำนึกของบุคคลเป็นอย่างดีในการศึกษาปฏิบัติธรรมทางศาสนาจึงสอนให้มองเห็นตัวทุกข์ซึ่งเป็นที่ไม่ไม่มีใครพอใจในตัวความทุกข์นั้นแล้วก็สอนให้มองในแนวสืบสาวถึงสาเหตุของทุกข์แล้วก็สร้างสถานการณ์ จำลองขึ้นมาว่าถ้าไม่มีตรงนี้ต่อไปจะเป็นยังไงก็จะเห็นภาพที่ตรงกันข้ามกับความสุขและศึกษากรรมวิธีหลักการวิธีการในการเะียสัมผัสผลหลานั้นกระบวนการของนิสัตก็เกิดขึ้นภายในใ จ, จิตใจของบุคคลก็กลายเป็นการเรียนรู้เรื่องทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกเพราะในสายของการแสวงหาจึงมีอีกสายหนึ่งคือเรียกว่าสัมมาชี เราก็เห็นว่าอภิชาติมันจางลงไปการแสวงหาบางอย่างแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็อยู่ในกลุ่มมันสองระดับกลุ่มที่ทั่ ว, วไปเรียกกลุ่มวิสินธธรรมจัญญาไม่ได้หมายถึงสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนแต่ว่าบนเส้นทางของการสแสวงหานั้นจะไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและบุคคลอื่น าการสวยงามเหล่านั้นเป็นเท็จคือไปมองผลกระทบที่เป็นรูปธรรมแต่ละคนสัมผัสได้ว่าการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองฐานะตำแหน่งชั้นยศของบุคคลเหล่านี้มีคนอื่นเดือดร้อนไหมคําว่าเดือดร้อนนั้นหมายความว่ามีความจงใจมีความตั้งใจเกิดความเดือดร้อนเพราะจะพูดคุ้มๆไปที่จริงก็มีความเดือดร้อนท่านนั้นการที่พระเจ้าสเสด็จอุบัติบับงเกิดขึ้นในโลกก็มีคนเดือดร้อนเยอะ พวกนักบวชเก่าๆพวกอัญญิเดชีทั้งหลายที่เคยเป็นที่เคารพยอมรับรับถือของบุคคลทั้งหลายในยุคในสมัยนั้นก็เสื่อมาราษฎร์กุชื่อเสียงบริษัทบริวารต่างๆเป็นนั้นมากที่ทิ้งท่านเหล่านั้นมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะถามว่าเขาเดือดร้อนไ้ยก็ตอบว่าเดือดร้อนคณาจารย์บางท่านยินสัญชัยปริพาชกตอนภาษาริบุตรกับพระโมคคัลลานะออกมาจากอาสม น้อยใจมากกระอักเวโลหิตสดๆออมาเกือบตายนั่นก็ท่านเดือดร้อนแต่ท่านหาเรื่องเดือดร้อนมาท่านเองพระเจ้าไม่ได้เจาะจงสร้างความเดือดร้อนให้เกิคนดอกนั้นมันก็คล้ายๆกับเราฉันยาแลืเรากินยาที่แก้โรคข้างไหนร่างกายของเรารถามเชื้อโรคโรพยาธิทั้งหลายนั้นตายไหมก็ตอบว่าตายแต่เราไม่ได้จงใจที่จะฆ่าสัตว์เหล่านั้น เราจงใจจะบำบัดโรคของเราเพราะงั้นการกระทำเช่นนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นบาปสำนวนาศาสนาท่านเรียวกว่าอโหหาริกคือแปลว่ามีก็เหมือนกับไม่มีความจงใจจึงถือว่าเป็นตัวการสําคัญไม่ใช่คนอื่นคิดว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาเพราะจะลืมว่าในโลกนั้นมีความริษยามีความแข็งดีอยู่ แล้วก็อยู่ภายในใจของบุคคลทั้งหลายมากบ้างน้อยบ้างกราบเท่าที่เขายังไม่เป็นพระญาบุคคลเพราะวาเวลาเห็นใครจะเริญในลาบยศสรรเสริญสุขมันก็มีคนทิษยาเป็นคนแข่งดีถ้าจะวัดกับความรู้สึกคนอื่นมันก็ไม่มีเกณฑ์อะไรเป็นเครื่องวัดแลราะความรู้สึกของคนนั้นก็คือความรู้สึกของคน ถ้าจะวัดความรู้สึกของคนพระเจ้าก็ทรงมองไปที่ตัววินอยูชนคือคนที่มีปัญญามีเหตุมีผลในการมองในการว้นิี่ใชตัดสินการพูดในที่นี้จึงหมายถึงความจงใจหมายความจงใจที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหรือบุคคลอื่นเรานี้ชื่อว่าเป็นไิ่สาชีพคือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดในประการต่อไปนั้นท่านมองในระดับที่ประนีต ทีเรียกว่าอริยะประเยสนาคือมองระดับที่ประณีตเอามากกล่าวโดยสรุปว่าเราจ ะ, สะแสวงหาอะไรก็ตามาสิ่งเหล่านั้นยังตกอยู่ในกฎของใจรักษณคือสิ่งสแสวงหามาเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นอะไรก็ตามมันตกอยู่ในกฎของใจรักษทั้งหมดก็ยังชื่อว่าเป็นการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐนั่นเป็นการพูดระดับอริยามรรคอริยพุท เรื่องของอริมรยมรรยาผลนั้นอย่างที่เคยเรียงให้ฟังว่าเรานำเรานําธรรมะปฏิบัติมาเรียงไว้เอาขนาดสี่ระดับนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าดีก็ได้สักข้าวระดับระดับแรกเราจะเห็นว่าเป็นอาการก้าววิชาที่แรงมากก็คือรูปมิจฉาทิฏดังกล่าวอิปการมีการเบียดเบียนล้างพรานชีวิตทรัพย์สินกันยุ่งกลายเป็นการจราจนกลายเป็นศึกสงคราม จะเป็นความสูญเสียรุนแรงมีการล้มตายต่างคนล้มตายลงเป็นนั้นมากอย่างในกรณีสงครามโลกครั้งที่สองเราจะเห็นว่าคนตายไม่รู้สักกี่ล้านคนทั้งก็คว็นรูปของความรุนแรงเป็นรูปของวิชาโลภะโทสะโมหะที่แรงมาประการต่อไปนั้นเป็นรูปของจิตสํานึกที่มีเหตุมีผลเป็นสามัญสํานึกธรรมดาของคนทั่วไปขอแต่เพียงมีมีผลหน่อก็คิดได้แล้ว นั่นคือมาฐานการครองชีวิตระดับของศีลคือการงดเว้นไม่ไปร่วงละเมิดสิทธิผลประโยชน์ต่างๆของบุคคลอื่นณนะทั้งที่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเพมีเรามีเขาอยู่แต่เคารพสิทธิของเราของเขาคือเคารพสิทธิของการแลกกันคล้ายๆกับต่างคนต่างก็ขับรถไปบลถน น, นแต่เคารพกฎจราจรด้วยกันไม่เบียดไม่แซงไม่ปาดหน้ากันแต่ละคนก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วก็เป็นเพื่อนเดินทางกันไปได้ ระดับที่สองนั้นเป็นระดับของระดับที่สานั้นเป็นระดับของธรรมะมีความเป็นเราเป็นเขาน้อยลงมีพวกเรากับพวกเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการประณีประนอมมีการประ ส, ระสานประโยชน์กันมีความเอื้อตอนหวงใหญ่กันเป็นลักษณะ ส, ส, สงเคราะห์งเคราะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ในอการอยู่ร่วมกันของคนแบบใช้พรหมีหาร คือปรัจิตเปลี่ยนแปลงไปตามคนเหล่านั้นสมัคคนที่ไปก็สร้างความรู้สึกที่เป็นเมตตาสมัครคนที่ประสบปัญหาก็สร้างความรู้สึกที่เป็นกรุณาขึ้นสมัคคนที่ประสบความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าก็มีใจบุจิตาสมัคคนที่ต้องเป็นไปตามกระแสกรรมหรือก็ทํากรรมเอาไว้ก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราก็ต้องทําใจเป็นอุบเบกขา ซึ่งก็หมายความว่าใจจะเป็นสุขอยู่ได้ทุกๆ ก, กรณีอะไรทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่ประการต่อไปนั้นจะมีความรู้สึกเป็นเรากับพวกเราเป็นระดับของสมาธิภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาไปในรูปที่เรียกว่าสเพสัตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะไปถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าเป็นระดับวิปัสสนาภาวนานี้ มันจะไม่มีทั้งเราทั้งเขาทั้งพวกเราพวกเขาแล้วก็ทั้งพวกเราแต่จะมีความเป็นอนัตตาคือไม่มีทั้งเราทั้งเขาที่สำนวนท่านใช้คำว่านิสโตนิชิโวสุญโยนิสตโตคือไม่ใช่สัตว์นิชิโวคือไม่ใช่ชีวะสุญโยคือว่างเปล่าไม่มีตัวให้ยึดไม่มีเราไม่เขาให้ยึด แต่ในขณะเดียวกันก็มองคนสัตว์ที่ยังเป็นเราเป็นเขาด้วยความกรุณาคล้ายๆการมองของพระพุทธเจ้าพระานพระปฏิกรพุทธเจ้าพระานทั้งหลายคือมองชาวโลกด้วยความเมตตาก ร, รุณาเพราะคนเหล่านั้นยังหลงในความเป็นเราเป็นเขาจบแเราจะเห็นว่าการแสวงหาตรงนี้หมายความว่าจะมีผลออกมาเป็นรูปของการไม่มีเราไ ม, ม่ีเขาเป็นการเข้าถึงสมบูรณ์เข้าถึงธรรมะที่สมบูรณ์หมายความว่าปัญญาของท่านสมบูรณ์ ป, ปัญญาของท่านสมบูรณ์แสดงว่าใจก็บริสุทธิ์จากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่ท่านเรียกว่าอัตตาอันตรยายคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตนหรือเรากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเราเขากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเขาแต่จะมองคนที่ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ด้วยความกรุณาสงสารบุคคลเหล่านั้นแล้วก็จะลงมาช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้น กาตัณโงก็งะคะือวิถีชีวิตของคนโดยทั่วไปที่ตัวเองผ่านวัยของความเป็นเด็กมาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็รู้ว่าตุ๊กตาคือตุ๊กตาแต่ยังคงซื้อตุ๊กตายัางหาตุ๊กตามาให้เด็กซึ่งเป็นลูกหลานของเราไปเล่นตุ๊กตาเหล่านั้นอยู่ทั้งๆที่ใจเราเองก็รู้มันอะไรเป็นอะไรเพราะพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายแม้จะเข้าถึงจุดสูงสุดอย่างนั้น สํานวนบาลีท่านใช้กับว่าใช้จิตที่เป็นกาหมาวจรคือหมายความภาษาการสื่อสารการติดต่อพระเจ้าก็ทรงใช้ภาษาธรรมดาธรรมดา่อสามารถติดต่อสื่อสารทําความเข้าใจชี้แจงอ ธ, ธิบายเรื่องต่างๆให้คนหลาหลายเกิดความเข้าใจได้ต่อจตกนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสึกต่อไป